จะนั่งตามบาสบ า, ายขาไหนเยนั่งก็นังตามสบายการสร้างธรรมะ <c oughs> คืนนี้ก็ไม่ลงมันหน่วยมอคืนวานนี้ก็ลงขาดแขนมันก็ไม่พอยจะเอาฐานให้เดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> การปูดธรรมะก็ไม่พอยสะดวกเพราความรู้ความฉลาดก็ไม่อม่อใจนี คนเคยผ่านตำรับตำราเคยปฏิบัติศึกษาจากครูจากอาจารย์มา <c oughs> พอสมควรการมาพักวัดโดยเฉพาะคารวาส่วนพระเนีน่ิย่ไปจำนั่นก็เป็นอีกอย่าง <c oughs> เรามาพักเพื่อปฏิบัติธรรม ที่เราเคยได้ยินได้ฟังจดจำมานำมาทีนี้ไีเจอนาะศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติตามความสามารถของตัวที่จะทำได้ <c oughs> พอเรามาวัดก็จะต้องมาวัดดูจิตใจของตัวอยู่ในบ้านมันคิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนานาธุราหน้าที่มันก็มากมาวัดเป็นจี่สงบสงัด ไม่มีธุระหน้าที่อะไรที่จะทำนอกจากจะกำหนดจิตใจของตัวเองการม า, าพักวัดที่จะเกิดคุณค่าสาระให้อาศัยตัวของตัวเองเป็นคนฉลาดที่จะปล่อยวางปัญญาอารมณ์อดีตการงานหน้าที่ที่เคยยุ่งเกี่ยวเคยทำทอดทิ้งเอาไว้ตั้งใจ คิดในใจน่าทำกำหนดทำในจิตในใจของตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการมาพักในสมกับว่ามาพักในใจมาปลุงมาคิดมาเกี่ยวมาคล้องกับสัญญาอารมณ์ถ้าเราคิดได้อย่างนั้นแล้วก็พยายามขับไล่อารมณ์สัญญาที่อยู่อยู่ใจออกไปใจของเราก็จะได้ความ สุขความสบายไดียพักผ่อนนี่คือการมาพักวัดวัดจิตวัดใจของตัวเองดูจิตดูเจดูใจของตัวเอ ง, อ ง, ว, เองว่าอยู่ในบ้านเป็นอย่างไรอยู่ในวัดเป็นอย่างไรถ้าไม่เห็นคุณค่าสาร ะ, ะในการมาพักมันก็หมดตัทธาเพราะการมากว่าไกลเสียเขาขอเงิงงนทองเหน็ดเหนื่อยเหมือนหิ้ว มาแล้วก็ไม่เกิดสระประโยชน์อะไรให้ซ <c oughs> ู่ออยู่บ้านอยู่สองข้องตัวไม่ได้สะดวกสบายนี่คือความเห็นของจิตของใจที่ไม่ได้อะไรจากการมาวัดถ้ามาแล้วพย <c oughs> ายามขับไล่สัญญาอารมณ์ออกจากใจให้จิตใจได้พักอยู่ในวงของอัดของ ร, รม จิตใจที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นเคยรู้เรื่องความสงบสุขต่างๆทางศาสนาเมื่อเราขับไล่สัญญาอารมณ์ออกไปตั้งใจกำหนดบทบริกรรมก็ดีลมหายใจก็ดีหรืออะไรสิเราเคยฝึกหัดปฏิบัติมาชอบกับจริตนิสัยนำคำบริกรรมนำอารมณ์อันนั้นมา ไหวในใจของตัวหายใจของตัวอยู่ให้ใจของตัวหยุดห้ใจของตัวพักเมื่อใจมันหยุดมันอยู่มันพักรวมรวมด้ความสงบสงัดเห็นชัดวหวจิตของตัวไม่ได้ฝุ่นปุ่งคิดนึกติดข้องกับสัญญาอารมณ์ต่าง เห็นความสว่างสวัยของจิตเกิดขึ้นจากความสงบเห็นการปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆขาดจากจิตไปใจเย็นใจสบายคุณค่าสาระที่การผลติปฏิบัติอยู่ทิตตรงนั้นถ้าใครเห็นใครเป็นมีความสงบเย็นในจิตในใจคนนั้นก็ในชื่อว่าเห็นธรรมะ จิตมีคุณค่าจากการ ป, รรปฏิบัติศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความเต็มใจอยากจะประพฤติปฏิบัตินั้นมันมาเองเพราะทุกคนไม่ชอบทุกยินดีสุขเมื่อเห็นความสุขความเย็นในจิตในใจจึงยินดีพอใจอยากจะ ป, ะปฏิบัติเลื่อมใสศรัทธา นี่คือทางของจิตที่จะเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตัวถ้าไม่เห็นไม่เป็นเพียงได้ยินได้ฟังเขาเล่าแต่ตัวของเราเองไม่เคยริยมรถของความสงบสงัดปฏิบัติไปก่อยังไม่เข้าถึงขั้นที่จะเป็นจะเห็นจะรู้อะไรความเชื่อความเหลื่อมใสมันก็น้อย หรือบางทีก็ขาดตกออกไปเห็นสิ่งใหม่สิ่งอื่นเห็นโลกเป็นของดีของวิเศษยิ่งกว่าการประฝึกปฏิบัติจิตใจเข้าใจว่าความสุขอยู่กับวัตถุอยู่กับสิ่งของอยู่กับสิ่งอื่นไม่ได้เห็นความสุขอยู่ในจิตในใจของตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นก็วิ่งเต้นสแสวงหาแต่ความสุขภายนอกแต่อารมณ์สัญญาภายนอกหาตั้งแต่ด้านวัตถุ มาบงกุงกายเท่านั้นส่วนใจปล่อยปละละเลยเพราะจิตใจของเราท่านไม่เห็นไม่เป็นความสุขในตัวของตัวฝึกหัดปฏิบัติจิตใจยังไม่เข้าถึงขัน้นความสงบให้จิตใจจริงสงสัยจิตใจจริงฝุ่งปุ้งคิดนึกติดข้องในสิ่งต่างๆ ถหาดฝึกปฏิบัติให้จิตได้พักผ่อนจิตได้เย็นจิตได้สงบเห็นความสุขภายในสิ่งต่างๆที่เราเคยข้องจิตคิดแวะต่างๆนั้นมันจะไ ม, ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่เราเห็นเราเป็นอยู่นี้มันสุขมันสบายมีคุณค่าสาระสูงยิ่งกว่าทิ่เราเคยไปยุ่งเกี่ยวเคยไปติดข้อง ความสุขข้างนอกความเชื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติศาสนา <c oughs> ในใจว่าเพียงอ่านําหรับตาราหรือฟังมามันก็จะเชื่อเป็นเน็ตเป็นหน่วยของมันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเห็นต้องเป็นภายในใจิตในใจของตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติท่านเห็นท่านเป็นอย่างนั้น ท่านจึงตั้งมั่นยอมเสียสละชีวิตอุทิศต่อพระพุทธศาสนาถึงจะลำบากยากเย็นในการกรรทำบาเพ็ญในความเป็นอยู่ท่านก็อุตส่าห์พยายามไม่ถอดถอยไม่ถอดทิ้งเพราะความเห็นความเป็นที่มันเย็นมันสงบนั้น เราเห็นเพียงครั้งเดียวหนเดียวเท่านั้นมันก็เชื่อถึงใจว่าระยะที่เราทำนั้นมันยังเห็นยังเป็นยังรู้ที่มันไม่เห็นมันเสื่อมไปเสียไปก็เพราะเราทำยังไม่ถึงจิตขั้นของมันอีกไม่ใช่คนอื่นขโมยเอาไปหยิบยกเอาไปเมื่อเราเป็นเราเห็นไม่ใช่คนอื่นเขาขนมาให้ปัญญาความเกิดกับใจมันจะมี เมื่อมันมีปัญญาแน่สอนตัวอย่างนั้นการจารทาบําเพ็ญความเชื่อมัน่นที่เคยเห็นเคยรู้ก็ททำเลื่อยไปแต่อย่าไปใคร่คิดว่าคราวนั้นนั่งอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันเป็นมันเห็นมันรู้มันสุกมันสบายมันสงบมาทำคราวนี้ก็จิตคิดปุง้งอยู่ตรงใจของเก่าที่เคยผ่านมาไม่เดีดูแลรักษาจิตใจของตัวในปัจจุบันมีความยาก คามคิดตามเกี่ยวข้องอยู่กับอดีตถ้าเป็นอย่างนั้นการทํามันผิดมันไม่สงบให้ด่านจิตใจให้ต่างหน้าทำไปไต้องไปอยากเหมือนกันกับเรารับทาน <c oughs> จะเรารับทานอยู่ความอิม่มมันจะต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ทานอยากอิม่ม มันก็ไม่มีทางให้ไม่ทำแต่อยากสำเร็จการงานนั้นมันก็ไม่มีทางเหมือนกันไม่เดินแต่อยากจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการมันก็ไม่มีทางที่จะถึงดังนั้นความคิดของจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติตองระวังรักษาทังรวมเอาไว้อารมณ์ส่วนใดมายุ่งเกี่ยวกับจิตใจ ซึ่งเป็นไปเพื่อทางเสียหายเป็นไปในภายนอกจะต้องขับไล่ปัดปล่อยมันออกไปไม่อย่างนั้นจิตใจจะไม่สงบไม่เข้าถึงอัดิธรรมที่เราต้องการมุ่งมั่นอยู่ในปัจจุบันที่จะนากันให้ทีทวนจากกาหนดบท บริกรรมก่อต่งหน้าต่างตาทมจริงจังจากที่เจรนาธาตันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อที่เจรณาจริงจังจนให้จิตของเราอยู่ในคาบริกรรมอยู่ในการกำหนดแต่นั้นแต่การกำหนดบทรม ต, ต่างๆแล้วแต่อุปนิสัยแล้วแต่ ตัวของตัวเองจะชอบแบบไหนเอาอะไรมากำหนดถ้าเป็นบทของธรรมจิตมันสัมผัสจิตมันเย็นมันรวมให้จากการกรรทานั้นมันไม่ผิดจะมีอยู่ตามตำรับตำราครูอาจารย์จะแนะนมาก่อนกวาตามหรือไม่มีตามตำรับตราครูอาจารย์ไม่เคยสอนมากวาตามแต่มันถูก กับจริตนิสัยข้องตัวกำหนดลงไปใจมันเย็นใจมันสงบแต่ชื่อว่าถูกในการกระทำบมมเพลนพอมันเย็นมันสงบเหมือนกันกันกบยาจะมีในตำรับตำราหรือจะมีในห้างร้านต่างๆเขาโกแตน้าไว้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เรานำมาทานเพื่อแก้ไขโรคไขภายในกายมันไม่หายให้ เราแสวงหายาใหม่จะเป็นสมุนไพรอยู่ในที่ใดก่าตามเมื่อเรามาทานโรคภัยของเราที่เคยเบียดเบียนกายหายไปสบายไปก็ได้ชื่อว่ายานั้นถูกกับโรคภัยของเราสามารถที่จะกําจัดโรคภัยให้หายจากกายของเราเราจะสุขเราจะสบายให้ถืออย่างนั้น ไม่ผิดทาของพระพุทธเจ้าก็ทํานองเยวะกันมีมากแปดหมื่นปีพันเราจะไปศึกษาเราเรียงจดจำออกมาทุกข้อทุกอย่างมาไว้เพื่อจะให้ตัวข้องตัวรู้ทั่วเข้าใจถึงท่องบนได้ทุกข้อทุกอย่างที่พระองค์ทรง เน่สอนเอาไว้มันเป็นไปไม่ได้ถังงมอยู่ข้างนอกอย่างนั้นภายในจะไม่มีวันสงบให้เราจะกําหนดอะไรจะทําอะไรไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวมากอย่างนั้นมันสงบให้เป็นพอเหมือนกันกับเรทานอาหารร้านขายอาหารเราจะทานต่างๆเขาทําไว้อาหารมี หลายชนิดไม่ต้องไปซื้อมาทานทุกอย่างไปทานแต่ที่เราชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นมันก็อีมยังขาดขันของเราให้แข็งแรงฉันใดทำคำสอนของพุทธเจ้าก่าฉันนั้นคนที่มากมากยอมยุ่งลำบากสิงมีอารมณ์มากเท่าไร คนนั้นก็เป็นเจ้าทุกข์แต่แตัดขาดจากอารมณ์ให้น้อยเข้ามาเท่าไรใจมันก็สุขมันก็สงบนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มักน้อยผูกภาวนาผูกสารภิเลตต่องมักน้อยใน้ต่องไปคิดนึกโยกของกับสัญญาอารมณ์ให้มากให้มักน้อยใชสัญญาอารมณ์ของตัว จะกำหนดอะไรต่างใจกำหนดไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้การมากน้อยจึงเป็นเรื่องสาคัญในปุนปะพฤชิตปฏิบัติอย่าไปศึกษาาำรับตงราเรียนอย่าพิําจบเสียก่อนจิ่งจะตั้งหน้าตั้งตาประพิชิปฏิบัติสัญญาที่จำมามันเป็นอนิจจา คือไม่เสี่ยงบางทีได้มาแต่ก็หลงไปแตค่ครุบนั้นแตค่ครุบนี้ก็เลยไม่มีวันถึงจะจําได้แน่นอนหรือจําได้ก็เป็นธรรมคาสอนของคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นในตัวของเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ความจริงธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมากมายก่อตามท่านไม่ได้สอนไปที่อื่น สอนกายสอนวาจาสอนจิตของมนุษย์เรามีกายมีจิตโดยกันทุกถวนน่าคนยังไม่ตายยังมีกิเลสตัณหามีมานะทิฏฐิยังมีดีมีชั่วทำได้มีฤทธิ์มีเดชแต่คนตายไปแล้วหมดเรื่องเหล่านี้เพราะกายไม่มี ที่จะทำถึงปากม่อยู่หมดลมหายใจมันก็พูดไม่ได้ <c oughs> ใจมันก็ไม่อยู่ในตัวคิดนึกตรึกตองอะไรก็ไม่เป็นอีกเหมือนกันจากนั้นที่เรามีลมหายใจอยู่จึงควรกระฤพิดปฏิบัติได้ไม่ต้องสงสัยว่าอำนาจบาสนาบุญบาลรมีของเรายังอ่อน ยังไม่มีให้รีบกาหนดรีบกบระทาสิ่งที่ควรกาหนดควรทำเพื่อจะกาหนดลมหายใจก็กาหนดอยู่อย่างนั้นเมื่อใดใจยังระลึกได้ยังไม่สงบถึงแก่นของมันเราก็ตั้งใจกาหนดอยู่นั้นจิตเหนือนมันละเอียดลงไป ลมหายใจมันกรละเอียดตามผลที่สุดเมื่อมันสงบถึงที่ของมันลมหายใจของพวกเราท่านจึงเคยหายอยู่มาเป็นไปจำหมาว่าหลับว่าตื่นแต่เมื่อจิต ร, รวมถึงที่จะไม่มีลมหายใจลมหายใจจะขาดไปคือมันออกไปได้ทุกขุมขนในความละเอียดของจิตเมื่อมันรวมถึงที่มันเป็นอย่างนั้น อย่าไปสงสัยว่าเราไม่มีลมหายใจเราตายใครมันสงสัยใครมันรู้อยู่นั้นก็แสดงว่าเรายังไม่ตายนี่คือความสงบของจิตความรวมๆของจิตมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆถึงกายจะมีอยู่ก็ไม่เลยเอาใจมาฟักใฝ่เกี่ยวข้องว่ามันนั่งมันนอน อยู่ท่าไหนามันเป็นอย่างไรเมื่อใจมันรวมอย่างนั้นการนั่งภาวนาจึงไม่เหลืมีการมีเวลาคือมันไม่เหลือกำหนดการว่านานเท่าไหรเพราะใจมันไม่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางนอกถ้าจิตไม่ถอดถอนขึ้นเมนืออะไรแต่นั่งไปกี่วันกี่คืนมันก็อยู่ได้อย่าง ชาอริยะเจ้าสันเขานิโรธสมาบัตินั่งถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่เห็นถ่ายหนักทายเบาไม่มีหิวมีกระหายเพราะใจของท่านไม่เกี่ยวกับการเวลาไม่ออกมาสูรเรื่องข้างนอกจิตของเรารวมธรรมดาก็เหมือนกันแต่ท่านทีมีเดยกล่าวว่าเป็นนิโรธก็เพราว่ามันอยู่ไม่ได้นานอย่างท่านมารวมเข้าไปถึงจุด ดับอยื่บญญาอารมณ์มันเหมือนกันหมดแต่ทราบความสุขความสบายความปล่อยวาง <c oughs> ของใจที่เกี่ยวเกาะอาศัยกับธาตุกับขันมันเป็นมันเห็นจากการกต่ทำบาเพ็ญสิ่งเหล่านี้จะไปอ่านาหรับตาราไม่มีทางที่จะเห็นจะเป็นให้ถ้าเราทำโดยตัวของเราเองเราจะเห็น ความเย็นความสงบของจิตของใจเมื่อจิตมีความสงบมีสมาธิความหนักแน่นอย่างนั้นพอถอนขึ้นมาจากพิจารณาอะไรเราเคยสงสัยติดข้องนำมาที่นี่พิจนะมันจะเกิดปัญญาสามารถแก้ไขขับไล่ความสงสัยของใจต่างๆตกออกไปหมดออกไปใจจะไม่ข้องไม่ติด ในสิ่งที่เราเคยติดเคยของมาก่อนนี่สันเรียกว่าปัญญาไม่ใช่สัญญาเรื่องสัญญานั้นคือเราจำมารู้อยู่ราคะตัณหาอวิชาอุปาทานความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆในสิ่งเหล่านี้ท่านถือว่าราคะ ในตำหลับตำลาท่านบอกทา่านก่าวเอาไว้แต่เมื่อมันเป็นขึ้นกับใจเราจะไปหาตำหลับตำลามาอ่านมันไม่หายต้องฝึกต้องปฏิบัติเมื่อจิตสงบสงัดมาที่นิจพิจารนาะเรื่องมันติดข้องแวะคิดต่างๆเกาะเกี่ยวต่างๆยึดถือต่างๆมันเป็นเพราะอะไรรูปนั่นนั้นแต่ก่อนเรายังไม่เห็นมันมีไหม มันคงมีแต่ไหนแต่ไรมารูปเสียงกลิ่นรสไม่เคยขาดจากโลกมันมีมาอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเราเกิดมาแล้วหรือเราตายไปแล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้อันนี้เสื่อมไปสลายไปอันใหม่มันเกิดขึ้นเรื่องของรูปเราจะไปติดในรูปไปเกาะเกี่ยวกับรูปไปหาความสุข ก, กับรูปเมื่อรูปนั้นมัน แปรลนเปลี่ยนแปลงหรือแตกสลายเราจะเสียใจเพราะไม่ได้ตามความปารถนาของตัวถ้ามีปัญญาจะต้องพิจารณาแก้ไขให้เข้าใจชัดเจนพิจารณารูปของตัวเท่านั้นมันก็ถั่วถึงกันทั้งอดีตอนาคตหมดทั้งโลกไม่มีอะไรที่จะเหลือหลอให้สงสัย พรรูปของเราเป็นอย่างไรรูปที่เกิดมาในอดีตที่หมดไปในอดีตที่จะมีมาในอนาคตหรือรูปที่มีอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันหมดคือมีความเกิดขึ้นแปลปวนและแตกสลายหน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นไม่มีรูปใดที่จะคงทนท้าวอนข่ำฟ้าจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมัน แล้วความกำหนดหนักยินดีลุ่มหลงในรูปซึ่งเกิดราคะตัณหานั้นหมายถึงจิตไปหมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามต่างๆเมื่อเรามีสมาธิอบ ร, รมจิตตั้งมั่นถอดถอนกลินมาพิจารณาทางปัญญาทางวิปัสสนาเราจะมีปัญญา ทาบไล่จิตใจที่ไปเกาะติดคิดปุงต่างๆรูปที่เราไปหลงไหลใฝ่ฝันเข้าใจว่ามันสวยมันงามนั้นโดยส่วนใหญ่ก็หมายถึงรูปที่เราเห็นเราเป็นอยู่รูปที่เราไม่เห็นก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับจิตใจของเรารูปที่เราเห็นอยู่นั้นมันมีอะไรกัน ที่สวยสดงดงามต้องพิจรารณาตามธรรมชาติของมันเมื่อจิตมีสมาธิมันจะเข้าไปเห็นธรรมชาติของรูปห น, นนั้นตามเป็นจริงของมันคือพิจรารณาของตัวเองเท่านั้นมันกาทราบที่มันไหลออกมาโยมออกมาได้อาบน้ำตั้งร่าตัวอยู่เรื่อย เพราะเหตุใดพอมันเน่ามันปฏิกูลผ้าผ่อนผ่อนสบายที่นุ่งห่มเมื่อนุ่งไปไม่สักพอกมันเป็นอย่างไรเพียงรูปที่ยังไม่ตายมันก็ยังแสดงอากับจิริยาความบูดเน่าของมันออกมาถูกเสื้อผ้าให้มีกลิ่น เหม็นสาบเหม็นโขงเราเคยเห็นที่ไหนมันสวยมันงามที่มันสงสัยเราลองถลกหนังออกไปจนหมดเหลือแต่เนื้อกองเอาหนังไว้ดูเนื้อในตัวทั่วไปมันหน้ากำหนัดยินดีหน้าจูบหน้ากอดไหมอาจจะเกิด ความสลดสังเวชอาจจะเกิดความกลัวขึ้นเพราะมันไม่น่าดูเอาเนื้อออกไปเหลือต่เอ็นกระดูเป็นอย่างไรพี่ใจนะให้เห็นตามเป็นจริงของมันพรามันไม่น่าเรืม่มใสน่ายินดีน่าพอใจน่าลหลงไหลติดข้องเพราะสิ่งเหล่านี้ปฏิกูลทั้งนั้น หรือจะพิจารณาอวัยวะภายในดูตับไปใส่พุงต่างๆมันเป็นอย่างไรตับหมูตับไก่เห็นแล้วยังอยากขายังมีราคาคนเขาถือว่าเป็นอาหารแต่ตับไตใส่พุงของคนนี้เห็นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีความอยากไม่มีความพอใจ เพราะวกเราทั่วไปไม่เคยกินสิ่งเหล่านี้มันจึงกลัวกันน่ะเกียดถ้ามันทะลักออกมาข้างนอกเพียงเราเห็นทถานั้นเราก็ไม่พอใจแล้วนี่ทำไมเพียงหนังห่อหุ้มอยู่ทถานั้นเราก็หลงกันเรามีปัญญาหรือหาปัญญานี้ได้มันจึงหลงไหลไปฝันอย่างนี้ มันจะเกิดปัญญาสามารถขับไล่ราคาตันหาความกำนัดยินดีของใจออกไปได้นี่คือทางปัญญาที่จะพิจารณาเรื่องของรูปที่เราติดข้องเรายึดถือถ้าพิจารณาแยบคลายเท่าไรใจมันเห็นชัดเท่าไรมันจะเบื่อหน่ายเท่านั้นจะพิจารณาลงไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ ที่มีอยู่ในกายมันก็พิจารณาได้สิ่งที่ขนแข็งต่างๆเหเมื่อมันเสื่อมมันสลายลงไปมันก็ไปสู่ธาตุเดิมของมันไม่มีอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนมุมเป็นสาวเพียงแต่ดินเท่านั้นเขาไปเผาเป็นเ่าเป็นฐานเป็นอย่างไรชอบใจไหมสวยิที่ไหนงามที่ไหน พิจารณาดูให้ถึงใจนี่เรื่องของการพิจารณาธรรมะเพื่อแก้ไขขับไล่จิตใจที่ยึดถือให้ตกไปเมื่อเราพิจรารณาเรื่องของเราเข้าใจชัดเจนเห็นไปจักเราจะสงสัยอะไรแล้วคนอื่นในอดีตก็าตามในปัจจุบันก็าตามในอนาคตก็าตามมันไม่มีสวยงามมันเป็นอย่างนี้พูดถึง อาจก็เป็นอย่างเดียวกันพูดถึงของปฏิกูลมันก็อย่างเดียวกันจิตที่โง่เขาไม่มีปัญญาสามารถเท่านั้นจึงไปลงลุ่มหล ง, ลลงยึดถือกันถ้าจิตมีปัญญามีธรรมะจะไม่มีการลุ่มหลงยึดถือในสิ่งเหล่านี้ถ้ามันยังยึดถืออยู่ยังลุ่มหลงอยู่ก็ได้ชื่อว่าเราปฏิบัติ ยังไม่ถึงธรรมะขันละถอนพระพุทธเจ้าสาวกท่านก็มีรูปเหมือนกันมีเสียงเหมือนกันในสมัยนั้นแต่ท่านทําไมไม่ติดข้อง็เพราะท่านพินิจเจรณาของท่านให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงจิตก็จะยึดยอมยอมจำนนไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นอะไร เข้าใจตามเป็นจริงมันก็ละถอนข้องมันนี่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นจำได้ตำรับตำลาโลบโกรธหลงเป็นอย่างไรเข้าใจเคยอ่านเคยศึกษาแต่เมื่อเกิดมากับตัวข้องตัวไม่มีทางที่จะแก้ไขขับไล่ความอยากได้ลุ่มหลงมันยังมีเมื่อไม่ถูกถจิตพอใจโกรธมันก็เกิดขึ้น